58. ยันอินไฟต์ต์การไปทาธุระ d ูธสกับไอทร a ่ดิฉันอยากไปห้องสมุด a อคเวลนอติบับริเทียตุคอนดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ที wil naar die ่คนที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพ ja ิมพ์เอที s <S ่คนที่ฉันอยากยืมหนังสือเล b o k ที่ฉันอยากซื้อหนังสือ book ซอ ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Agvul n k r a n t guap ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ Agvul n d b i b l i o t e k e guan om b o k te ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ a g e u l no di boekvankultet guan om a book ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิออมพ์ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาดิฉันอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ต ที่ซูเปอร์มาร์กทุกคนดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังแอคเ d ลนอท k ่บัคเกอร์ไทุคนดิฉันอยากซื้อแว่นตาแอคเวลอเบลกูบดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักแอคเวลฟรุกเตอ groente koop.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 ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังเอกว่าหน k ดิบัคเกอร a ่ทุกคน l องโร i ิคิ n b r o ุตรทักคบ